บันี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปธรรมะปฏิบัติที่เราเรียกว่ากรรมฐานบ้างเรียกว่าภาวนาบางนั้นทรงสอนในรูปของการเสริมสร้างความดีขึ้นไปในปริมาณของความดีที่เพิ่มขึ้นนั้นเองก็จะตามทันทีลดละ กิเลสซึ่งตรงกันข้ามกับคุณธรรมเหล่านั้นให้จางไปคลายไปบรรเทาไปจนถึงก็หมดสิ้นไปในที่สุดการหมดสิ้นนั้นเป็นเป้าหมายสูงสุดของการศึกษาประพฤติปฏิบัติแต่ว่าที่จริงแล้วมันก็เหมือนกันเรื่องทั้งหลายเช่นการศึกษาการประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพเป็นต้นนั้น คนที่บรรลุเป้าหมายสูงสุดจะมีอยู่จำนวนน้อยเท่านั้นเองส่วนใหญ่ก็จะสัมผัสผลตามสมควรแก่ฐานะนั้นๆถึงสังเกตว่าธรรมะที่เป็นหลักในการปฏิบัตินั้นทรงเน้นไปที่องค์ธรรมหลักสามประการคือสติสัมปชัญญะในความเพียรสติสัมปชัญญะเป็นกุศลลธรรม ฝ่าเหตุที่ทําหน้าที่กระจัดกิเลสให้เจือจางบาบางลงไปจนถึงกับหมดสิ้นไปในที่สุดผลปริมาณสติสัมมาจัญญะหรือประมาณปริมาณสติของปัญญาเพิ่มพูนมากขึ้นเท่าไหร่พอทำนองคล้ายๆกับความเย็นเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ความร้อนก็ลดลงไปเท่านั้นพอถึงจิด จ, จุดหนึ่งบริเวณตรงนั้นก็กลายเป็นมีเฉพาะความเย็นสติสมัมจัญญาและความเพียรก็มีลักษณะอย่างนั้นเมื่อปริมาณเขาเพิ่มพูนขึ้นคนเราจะมีสติสมัมจัญญาสูงขึ้นมีความเพียรพยายามที่ต่อเนื่องในขณะเดียวกันเราจะพบอาการของกิเลส ว่จะเรียกชื่ อ, อยังไงก็ตามเป็นความโลภความโกรธความหลงความริษยาความกุหลิรรำคาญความมาคาดพยาบาทความเบียดเบียนเป็นต้นมันสงบลงไปก็จะมองความร้อนที่มันจางไปหดไปในเมื่อความเย็นเพิ่มขึ้นนั่นเองพอถึงจุดหนึ่ง ท่านก็เป็นผู้มีสติสมบูรณ์มีปัญญาสมบูรณ์เราลองศึกษาดูประวัติของพระพุทธเจ้าและพระหันทั้งหลายที่ใช้เวลาไปด้วยความเพียรพยายามท่านอยู่ด้วยสติสัมปชัญญะที่สมบูรณ์ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงก็ตาม เรามองภาพเหตุการณ์ที่ตอนพระพุทธเจ้าเสด็จไปปิณฑบาตในกรุงราชครึกพระเทวทัตปล่อยช้างอาลารีมาเพื่อให้แทงพระพุทธเจ้าพิสูจน์ถึงความมีมากมีน้อยของสติสัปพัญญะสำหรับพิสูจทางหลายที่ตามเสด็จได้เป็นอย่างดีพิสูจน์ที่เป็นปุตุชนวิ่งหนีกันเจอกิน แสดงให้เห็นถึงการขาดสติขาดสัมปชัญญะในการที่จะควบคุมจิตใจของตัวเองอ่อนไหวั่ออำนาจของอารมณ์ที่มากระแทกซึงค่อนข้างแรงแต่พระอนุล์ซึ่งเป็นพระโสดาบันที่จริงไม่ใช่สติสมบูรณ์แต่ท่านก็เป็นพระโสดาบันตั้งกับมีสติมั่นคงออกไปขวางพระพักพระพุทธเจ้าเอาไว โดยต้องการจะสละชีวิตปกป้องพระพุทธเจ้าธรรมะพระพุทธเจ้านั้นประทับยืนโดยไม่มีความรู้สึกอะไรเรียกว่าเป็นผู้ไม่สะดุ้งในหมู่สัตว์ผู้สะดุ้งทั้งหลายลาักษณะอย่างหนึ่งทเรียกว่าตาที่โนคือคงที่ไม่ว่าจะกระท บ, บอารมณ์ข้างนอกในรูปใดก็าตามในรูปที่เรียกว่าหน้ายินดีหน่ายินรายหรือกลางกลางไอ้กลางกจริงๆไม่ค่อยมีที่พลอยู่แล้ว แต่ตรงส่วนใหญ่คือกระตุ้นให้เกิดความยินดียินร้ายความรักความจับความกลัวพระเจ้าจะเป็นผู้คงที่ทุกกษณะของาระอ์การดำเนินชีวิตของพระองค์ทรงพักผ่อนเพียงวันหนึ่งสี่ชั่วโมงเท่านั้นเองแสดงว่าทรงใช้ชีวิตไปเพื่อประโยชน์เือกูลแก่คนอื่น วันหนึ่งถึงยี่สิบชั่วโมงมีภารกิจที่ต่อเ น, นื่องล้วก็ต้องทาอย่างนั้นตลอดระยะเวลาที่จริงก็ห้าสิบเอ็ดปีก่อนจะรู้ก็ต้องทาอย่างนั้นแต่เนื่องจากความเพียรถ้าว่าขาสติสัมปชัญญะเข้ากำกับหรือปไปรมาณของสติสัมปชัญญะไม่มากพอมันก็หลงทางได้ ตอนนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าความเพียร น, นั้นไม่เป็นได้ทั้งสองอย่าง เ, เรียกว่าสมาวยามะหรือมิจฉาวยามะสมาวยามะคือความเพียรพยายามในทางเพียรพยายามในทางที่ชอบสติตสัมมัญญามีมากพอในการวิเคราะห์ตัดสินวินิจฉัยลักษณะของอารมณ์ที่มากระทบ สามารถดุจเฟ้นอารมณ์สามารถสงบอารมณ์สามารถจุดอารมณ์สามารถรับอารมณ์สามารถพิจารณาอารมณ์ได้ตามสมควรแก่กรณีของอารมณ์ตนนั้นต่ลักษณะเหล่านี้ก็คือลักษณะเรียกว่ารู้เท่าทันถึงความจริงของอารมณ์ความมองคล้ายๆกับเราเดินไปในที่หนึ่งหรือที่ใดที่หนึ่งหรือนั่งนั่งอยู่ใดที่ใดทิศหนึ่ง มีกลิ่นที่ผิดปกติผ่านเข้าม า, าทางจมูกครับถ้าสติสัมปชัญญะอมอความเพียรอ่อนมันอาจจะเป็นลงฟุกไปท่านั้นก็ได้แตถ่ถ้าสติสัมปชัญญะมีมากพอความเพียรย่อนไปอาจจะรู้สึกเหมือนกันแต่คิดว่าคงไม่เป็นไรขี้เกียจจะลุกขี้เกียจจะหลบ ก็อาจจะถึงหน้ามืดหรืออาจจะเป็นลงไปได้ในที่สุดเช่นเดียวกันแต่ถ้าสติสำนญะมีมากพอความเพียรมากพอก็ปลอดภัยไว้ก่อนก็ลุกขึ้นหลกไปเสียหรือพยายามตรวจสอบที่ไปที่มาโดยพยายามไม่หายใจเข้าไปลึกๆในขณะนั้นปนัญหาที่เกิด มันก็ลดความรุนแรงจนถึงก็ป้องกันได้ธรรมะปฏิบัติท่านจึงสอนในรูปของการเพิ่มพูนเพิ่มพูนกุศลธรรมขึ้นไปปริมาณของกุศลธรรมที่เกิดขึ้นนั้นบางทีทรงอุปมาให้เราเห็นและเป็นภาพที่ชัดเจนเช่นอุปมาเหมือนน้ำเหมือนลมเหมือนไฟในกรณีที่อุปมาเห็นเหมือนน้า เราว่าน้ำที่มันใสสะอาดแล้วก็มีปริมาณมากกันแม้สิ่งสกปรปกปกดลงไปถ้าไม่มากเท่าไหร่มันก็สลายได้ดทันทีแต่ถ้ามากมันก็ใช้เวลาระยะหนึ่งจึงสลายไปได้ถ้ามากขึ้นกว่านั้นมันก็สลายไปได้อีกแต่ต้องใช้เวลาน น, ลนานลักษณะของอารมณ์ หรือจิตใจของบุคคลที่มีธรรมะก็มีลักษณะอย่างนั้นถ้าปริมาณก็ธรรมะสูงจริงมันซึมไม่ได้เพจิตมันเหมือนกับเพ็ดก็ทำหน้าที่ขจัดออกไปได้เลยคือซึมก็ไปมา้ที่ท่านอุปมาเหมือนใบบัวบ้างดอกบัวบ้างเหมือนเพชรบ้างที่ท่านเรียกว่าวัชิรุปมะจิตโตจิตที่อุปมาเหมือนกับเพชร มันมีแสงแล้วก็ตัดสิ่งอื่นได้ความชั่วร้ายทั้งหลายไม่สามารถแทรกซึมเข้าไปได้แม้จะไปตดดูในสิ่งที่ปฏิ ก, ปกูลยกรคภพเพล็กซก็คงความเป็นเพล เ, เอาไว้สิ่งโสกครนนั้นก็ซึมเข้าไปไม่ได้จิตใจของบุคคลที่ปฏิบัติถึงจุดนั้นก็มีลักษณะอย่างนั้นแต่อย่าที่กล่าวไว้แล้วว่าคนทัึงจุดนั้นที่จิงมีน้อย เพราะก็สงสอนธรรมะถึงถือว่าเป็นอุบายวิธีที่จะพัฒนาสติสมัญญาความเพียรของบุคคลให้กลายเป็นเรือนใจใเป็นหลักใจที่มองปัญหาเหล่านั้นในลักษณะรู้เท่าทันต่อความเป็นจริงอย่านห้ทรงจำแนกสภาพจิตของบุคคลไวในยามประทบกับอารมณ์จะเรียกรวมๆเป็นโลกธรรม หมายความมาธรรมะที่เกิดขึ้นแก่ชาวโลกทั้งหลายแล้วก็มีอยู่ทั่วโลกเกิดขึ้นแก่คนทั้งหลายเหมือนกันทํานองเดียวกับอากาศทํานองเดียวกับความหนาวความร้อนแต่ความรู้สึกของบุคคลจะแตกต่างกันมัก็เช่นเดียกความหนาวร้อนน้ําท่วมฝนตกเราก็กพบเหมือนกันแต่ว่าเนื่องจากื้นฐานเฉพาะตัวของคนไม่เหมือนกัน จริงที่เราได้รับจริงสามารถทำให้แตกต่างกันออกไปเรสรุปแล้วว่าคนส่นใหญ่ี่อยู่ได้แม้จะต้องทุกธท ร, รมานอยู่บ้างก็ตามความลักษณะของโลกธรรมทนะั้งแปดประการคือการได้ลาบได้ยศได้สวาสุขไ ด, สได้สันเสริญได้ความสุขหรือการเ ส, สื่อมลาบสูญยศสินฐานทุข ที่จริงแล้วถ้าเรามองมองให้ลึกลงไปมันเป็นเครื่องวัดสาภาพจิตของคนที่ทำไปไม่นจะนึกจะเรียนก็เรียนแต่ของพระเจ้าเรียนจะมีระบบมีกฎเกณฑ์มีเป็นเป็นหลักในการตรวจสอบพิจารณาไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามคนนี้เพิ่งสังเกตง่ายๆว่าศีลห้าเป็นการเรียนตามความสำคัญของชีวิต และชีวิตถือเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดประคาชีวิตก็จบกันเรื่องอื่นมาเลิกพูดเพราะไม่มีชีวิตให้ไปลักทรัพย์ห้ไปร่วงเกินทางประเวณีให้ไปโกหกอีกแล้วเป็นการเรียนจากความสำคัญตามลำดับมากน้อยและก็เกี่ยวข้องกับชีวิตในลำดับที่หนึ่งสองสามสี่หมายความว่าถ้ามีการรับรวมระวังงดเว้นได้ครบทั้ง5ประการเมืม่อเกิดสวัสดิภาพขึ้นไปในสังคม เป็นการอยู่ร่วมกันอย่างสันติตามที่เรียกร้องต้องการกันแต่เอาก็จริงคนก็ยังสร้างเขตแห่งความเดือดร้อนวุ่นวายแล้วก็เรียกร้องหาสันติซึ่งมันก็เป็นไปไม่ได้คนทั้งหลายที่อ่อนไหวไปกับผลประโยชน์จะสามารถแยกย่อยไปได้อีกเป็นอันมากแล้วเวลาได้มากได้น้อยมีความรู้สึกที่ยิ่งหย่อนแตกต่างกัน กาแสดงว่ดดัตถเห็นสภาพพื้นจิตของคนคนบางบางคนได้เงินจำนวนมากก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรเงินหายไปจำนวนมากก็ไม่เสียกสิจัยอะไรกาแสดงว่าสติสัมภชัญญะในความเพียรของท่านบัณฑค์เพราะเพราะเป็นการมองในแง่ของสภาวระธานเงิ น, รร เ, นงเหล่านั้นที่จริงมันไม่ได้เป็นของเรามาก่อน แต่เสร็จแล้วก็เป็นของเราเพื่อจะไม่เป็นของเราในโอกาสต่อไปก็ไม่เป็นของเราเพราะการพรากจากนั้นต้องมีเราตายเงินยังอยู่หรือว่าเงินหายไปก่อนแล้วก็เรายังอยู่แต่สรุปว่าไม่มีการหยุดรงมกันเวลาสาคัญอยู่ที่ความรู้สึกในตัวเรามันลดลงไปมันเล็กลงไปจะเรียกว่าอัตตามันเล็กลง ให้ความสํามัญแก่ตัวเองน้อยลงในการปลนปลืตัวเองน้อยลงแต่ความรู้สึกก็เป็นของเรามันก็ขีดขีดวงแคบครับแล้วกาจริงแล้วตัวของเราก็ไม่ใช่ของเราของนอกกา ย, ม, ากกายมันจะเป็นของเราได้อย่างไงอย่างดีคำพูดกับวัสมบัตินอกกายติตัวไปไม่ได้นั้นสแสดงถึงสติสมัญญาที่มองเห็นตรงนั้นได้ชัดเจน ความสมควรและจิตใจก็เกิดอาการที่เรียกว่าไม่ยินดีไม่ยินไรถ้าว่าขาดสติสัมัญญาขาดความเพียรเ้าก็เห็นภาพที่เราพูดเป็นคติไทยมีทอนเมีทองถนวดกุ้งนอนสะดุ้งจนเรือนไหวเป็นภาพของจิตใจที่มีความตื่นเต้นกับสิ่งที่เราได้ อ่อนไหวในขณะที่ครอบครองวัดวิตกกังวลกลัวภัยกลัวอันตรายกลัวขโมยขยจยนนอนก็ไม่สงบแ้วถ้าสิ่งเหล่านั้นถูกปลักถูกขโมยไปจริงก็อาจจะวิปริตถึงบ้าไปเลยก็ได้เพราะบ้าก็รสดงบทสติเพราะการบ้านนั้นคือสติวิปลาหรือขาดสติไปเลยถ้าสังเกตก็จะเห็นว่าอาการของธรรมนั้นมีกำลังน้อยมากช่วยตัวเองไม่ได้ สติก็ไม่พอใช้สัมจั ญ, ญญาก็ไม่พอใช้ความเพียรก็ไม่พอใช้เพราะความหลากหลายของลักษณะทางอารมณ์ที่มีพื้นฐานมาจากจิตใจของบุคคลพฤติกรรมคนก็แสดงออกมามากมายก่บองแม่ในเรื่องเดียวกัน พระเจ้าทรงแสดงโดยรวมเพื่อชี้เห็นถึงพื้นฐานของสติสัมปจน์ะความเพียรเพราะมีบทบาทสำคัญในการดำารงชีวิตของบุคคลทุกลำดับขั้นตอนของชีวิตและทุกลักษณะอารมณ์ที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องทรงแสดงเห็นว่าโลกธรรมทั้งแป่ประการนั้นเกิดขึ้นเหมือนกันแก่อุทุชนผู้ไม่ทือับธรรมของพระอริยะไม่ศึกษาธรรมของพระอริยะไม่ ประกอบด้วยธรรมของพระญาติและเกิดขึ้นแม้แก่พระญาติทั้งหลายจดต่างจึงไม่อยู่ตรงนั้นแต่โดยต่างอยู่ที่ความรู้สึกต่อสิ่งเหล่านั้นในขณะที่ได้ในส่วนที่เราชอบคือราบยอดสรรเสริญสุขหรือตัวราบยอดสรรเสริญสุขที่เราชอบนั้นเปลี่ยนแปลงไปที่จานวนบรราลีถรงใช้กับว่า อารมณ์ที่น่าปรารถนาและอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาพุทธเั้นั้นาะไม่รู้เท่าทันถึงความจริงของสิ่งตัวนั้นก่อนไหวไปการเศร้าโศกโทธมนั้นเสียใจกันด้วยประการต่างๆและการคงจิตนั้นจะแปรผันไปกับส่วนที่เราได้ผู้สังเกตว่าในส่วนที่เราต้องการ จะชื่นชมยินดีในขณะที่ได้มาครอบครองในขณะเดียวกันความรู้สึกยึดติดวเป็นของเราก็เข้าจับติงเราดันทันทีมีความรู้สึกหวงรู้สึกห่วงรู้สึกวิตกกังวลหวาดกระรุ่งถ้ามากมากก็เกิดมองซ้ายมองขวามั่นใจในความปลอดภัยในชีวิตของเราในทัพย์สินสุข ในสิ่งที่เราได้มาและต้อง ค, ควบคุมและสาสิ่งเหล่านั้นด้วยความมิตกกังวลอยู่ตลอดมีมากเท่าไรทุกมากเท่านั้นตราบใดที่เรายังรู้สึกว่าเรามีความทุกข์งเกาะติดอยู่ตรงนั้นเพราะอะไรไปผูกพันกับตนหรือสุกับตนแล้วก็ตนมีอันนั้นก็กลายเป็นของตน มันเกิดเป็นมีทั้งตนทั้งของตนแล้วโดยความรู้สึกว่าเราเป็นอย่างนั้นจริงพอสิ่งนั้นเปลี่ยนแปลงไปก็เกิดความเศร้าโศกเสีสสยใจมันก็มีหมดทุกจังหวะของชีวิตปุุ้ชนจึงแกว่งไปตามกระแสอารมณ์ที่พระเจ้าสนใจก็บว่าขึ้นๆลงๆ ถ้าเราสังเกตดูแม้แต่สภาพจิตในแต่ละขณะคิดเป็นนาทีสิบนาทีห้านาทีก็จะเห็นว่ามันขึ้นขึ้นลงลงขนาดว่าไม่กระทบอารมณ์อยู่ข้างนอกนั่งหลับตาก็ได้แต่ว่าจิตมันแปล่มันเปลี่ยนแปลงมันขึ้นขึ้นลงๆยิ่งไปกระทบอารมณ์ข้างนอกยิ่งไปใหญ่ไปอ่านหนังสือไปดูโทรทัศน์ไปดูข่าวครา ว, า ว, าว ต, ต่างๆนั่งไปในรถจิตมันขึ้นขึ้นลงลงใหญ่ มีความยินดีมีร้ายมีความเฉยเมยมีความชิงชังมีความเซ็งมีความเครียดอะไรต่างๆก็แล้วแต่เผลาก็จะไม่สงบนิ่งแต่ปบุคคลสิ่งเหล่านั้นก็เกิดขึ้นแก่ท่านพอลองนึกดูว่าของที่เกิดขึ้นแก่พระพุทธเจ้าและแก่พระหันต่างหลายนั้นจะคิดราคาแล้วก็มากมายกายกองได้เลย แม ใ, ในปัจจุบันถ้าเรามารวมวัสมบัติที่เขาบูชาพระพุทธเจ้าในโลกเนี้ไม่รู้จักเท่าไรจะนับกันไม่หวัดไม่ไหวและไม่ใช่เฉพาะพระพุทธเจ้าคือบูชาศาสนาทั้งหลายศาสนาคริสต์ศาสานาอิสลามอะไรต่างๆเราจะเห็นว่าสมบัติมากมายหลายกองเลยเป็นสมบัติที่เขาบูชา ขนาดพระเชตวันเองในสร้างตัก54โกดคิดเงินปัจจบุบันธุรกิผพันล้านแต่พระพุทธเจ้าก็ประทับอยู่เฉพาะบรรดาทนั้นเองอย่างมากก็สี่เดือนแล้วก็เสร็จออกจากริษว่เออเาเลยก็โดยพื้นประไทยจริงๆแล้วไม่มีความข้องติดอยู่ในสิ่งเหล่านั้นมีลักษณะเหมือนลมพัดผ่านไป และไม่คล่องไม่ติดอยู่ในสิ่งนั้นก็ผ่านไปเรื่อยๆพอสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นปัญญาสวกทั้งหลายท่านรู้จำจำความเป็นจริงว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วแก่รับพลังของสติสัญญาความเปลี่ยนมาเข้าจับกันทีแต่สิ่งเหล่านี้เป็นของไม่เที่ยงสิ่งเหล่านี้เป็นทุกสิ่งเหล่านี้มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดา มันมาจากไม่ใช่เป็นของเราแล้วก็ถูกสมมติว่าเป็นของเราเพื่อจะไม่เป็นของเราในโอกาสต่อไปมันมาจากความไม่มีแล้วกลายเป็นมีแล้วก็ไปสู่ความไม่มีมาจากไม่เป็นแล้วกลายเป็นเป็นแล้วไปสู่ความไม่เป็นพวามเหตุการย์การเกิดดับท่านน้มันก็เช่นเดียวกับเรื่องท่าไหลายพระเจ้าท่านจะไม่ฟูจะไม่แฟร ไปตามอารมณ์ที่มากระทบทั้งส่วนที่ดีและส่วนที่ไม่ดีประเด็นที่สาคัญอย่างน้อยที่สุดนี่ท่านสอนให้มีวิธีในการคิดวิธีการคิดเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ท่านสาธุชนทั้งหลายลองสังเกโดยรวมพระพุทธเจ้าทรงชายว่าความดันริเนี่ยความดัาริเนี่ยมันจะเป็นอะไรก็ได้ปัญหาว่าสิ่งเหล่านั้นมันเป็นอะไรเนี่ยไม่สําคัญสำคัญคเราคิดมันยังไง อารมณ์เรื่องราวข่าวสารต่างๆมันต้องผ่านมาแหละเราก็อยู่ในสังคมเราก็ต้องได้เห็ น, นรู้ฟังเสียงดมกลิก่นเลีรถตรวต้องเย็นร้อนน้อแข็งอยู่เป็นปกติธรรมดาพระอราหันต์ท่านก็กระทบเหมือนกันเราก็กระทบเหมือนกันแต่ความไม่เหมือนกันมันอยู่ที่ความรู้สึกต่อสิ่งนั้นที่สำรวจปัจจุบันพูดใช้คําได้ยากไปหมด เบนี้ก็โดนลงเรื่องสังกัปปะในแปลว่าความดําริลหรือความคิดถึงพระเจ้าทรงแสดงให้เห็นว่าความดําริเป็นการของคนความดําริเป็นพยาบาทของคนความดําริเป็นความหลงของคนความดําริก็เป็นธรรมะของคนเป็นเมตตาเป็นกรุณาเป็นอะไรแต่ลายต่างๆมันเกิดจากความคิดความดําเบลีก้อนนี้มันเกิดขึ้นมาจากอะไรปัญหารสติสัมมชัญญะของเรามีพอไหมเพราะสัมมชัญญาที่จริงก็คือสัมมาทังกัปปะ คือความดบริในทางที่ชอบสติก็คือสมมาถสติความเพียงก็คือสมมาวยจมและในขณะเดียวกันตัวสมตัวตัวสัมมัญ ญ, ญานเองมันก็เป็นสมาธิที่ด้วยก็แสดงว่าในความเป็นตรงนั้นเองมันก็เป็นทั้งศีลสมาธิปัญญาอยู่แสดงว่านนในจิตเรา ก, ก็มีศีลสมาธิปัญญาเป็นหลัก สิ่งเรานั้นมากระทบก็มองเห็นสิ่งเหล่านั้นตามความเป็นจริงตามความเป็นจริงมันก็ไม่มีอะไรเป็นการมองทะลุส่งช้กับมองทะลุตีต้นโอเปมาเหมือนการมองคล้ายๆกับลงศพที่ประดับมุกอย่างดีสวยง า, า, ายมวิจิตรศิลป์แต่คนไม่รู้ก็จะชื่นชมในดวดลาย งานที่แกะสลักงานที่ฝังมุกลงไปสวยงามภาพต่างๆก็มองในความชื่นชมแต่ถ้าคนเหล่านั้นเขารู้ว่าข้างนเป็นอะไรจีตใจจะมีความหวาดเป็นความสะดุ้งูล่ลึกๆมีความหวาดกลัวอยู่เรื่องที่อ ย, อ ย, อยู่คนเดียวก็ไม่กล้าไปเลยครับ น, นั่นก็แสดงเห็นว่าถ้ารู้ถึงความจริงของสิ่งเหล่านั้น จี่ใจมันจะไม่เป็นอย่างที่มันเป็นแต่ในขณะเดียวกันถ้าปรู้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นมันก็สักแต่ว่ามุกก็สักแต่ว่ามุกศพก็สักแต่ว่าศพดอกไม้ก็สักแต่ว่าดอกไม้ลงก็สักแต่ว่ า, วาลงเมื่อมีอะไรสามารถนั่งนอนอยู่ตรงนั้นได้โดยไม่ไปยึดติดในสิ่งนั้นคือหมายความไม่มีความยินดียินร้ายไม่มีความหวาดกลัวไม่มีความมีตกกังวลปัลหาสำคัญอยู่ที่ไหนอยู่ที่ความคิด าคิดยังไงท่านมองยังไงกับอารมณ์เ่านั้นแต่ว่าเอาจริงเนี่ยคนเราไม่ได้ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเราไม่สามารถจะตัดสินนิยนิจัยอารมณ์ได้ไปในทุกกรณีแล้วเราจะเข้าียพื้นฐานจิตสภาพแวดล้อมที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องในขณะนั้นๆภูมิหลังของเราเราเข้าใจเรื่องราวสิ่งต่างๆเราท่านได้เป็นยังไง เพราะงั้นหลักเกณฑ์นักตาที่ทรงวางไว้ที่จริงเป็นระบบของการพัฒนาคุณธรรมดังกล่าวเพราะคนที่ปัญญาสมบูรณ์สติสมบูรณ์ก็มีเฉพาะปารหันด้านเองเพราะตรงนี้เขาจึงเป็นทั้งเหตุและเป็นทั้งอาการเป็นทั้งผลเป็นรูปเป็นเป็นตัวสภาพจิตพระหันเป็นผู้ตื่นอยู่ตลอดเป็นผู้รู้ตลอด แม้สิ่งที่คนมางคนทิดว่าไม่น่ารู้ท่านก็รู้เพราะไรเพราะว่าเป็นความสว่างสวยเป็นความรุ่งเรืองในด้านการใช้ปัญญาแล้วก็มีเป็นอยู่อย่างนั้นโดยสภาพคล้ายๆกับที่จุดหนึ่งมันมีแสงสว่างอยู่ตลอดเราเข้าไปถึงตรงนั้นมีอะไรเป็นยังไงเราก็รู้เราก็เห็นมันตามความเป็นจริง าการฝึกตือเพิ่มพูนสติสมัยจัญญะ์โดยมีความเพียรเป็นพลังผลักดันในการเพิ่มพูนขึ้นจึงเป็นธรรมะปฏิบัติที่ทั่วไปในอียิบบททั้งหลายได้ทําไปครนี้สังเกตว่ามีเป็นอันมากที่เรามีสติเระลึกได้ในสมัยญยะเรารู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนี้แต่เอาก็จริงมาขี้เกียจ ที่เกียดที่จะลดที่จะละที่จะลบที่จะหลีกที่จะปฏิบัติที่จะไม้จางไปคลายไปหรือพลังของความเพียรมีไม่มากพอที่จะไปต่อสู้ไปขจัดไปลดความรุนแรงของความเกลียดคร้านให้ตัวเองมีอิสระหรือใหความเพียรเองมีอิสระที่จะคิดที่จะทำอะไรไปตามกำลังของธรรมะ เมื่อเกิดมีกำลังไม่มากพอใจมันก็ไปเขาเรียกว่าเป็นคนที่ไม่สม่ำเสมอในท่ามกลางคนที่สม่ำเสมออย่ามพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้เสมอในท่ามกลางคนผู้ไม่สม่ำเสมอทั้งายเป็นผู้ไม่สุขในท่ามกลางคนที่สุขเป็นผู้ไม่ทุกข์ในท่ามกลางคนที่ทุกข์เป็นผู้ไม่เดือดร้อนในท่ามกลางผู้เดือดร้อนก็อยู่กันท่ามกลางตัวนั้น ซึ่งก็หมายความมาลักษณะอารมณ์ต่างๆที่เรียกรวมสรุปรวมเป็นโลกธรรมในความในโลกธรรมนั้นจะแบ่งเป็นขวขวายเราต้องการสี่ขวายไม่ต้องการสี่มันก็จะยิมมันก็มีท่านั่นเองเพวกคำว่าราบนั้นคือการได้ สิ่งที่เราได้นั้นจะเป็นสังหาริมักคือเคลื่อนที่ได้สังหาริมะคือเคลื่อนที่ไม่ได้คําว่าทรัพย์ในภาษาศาสนากับภาษาของกฎหมายก็ใช่เหมือนกันคือสังหาริมักทรัพสังหาริมักทรัพก็สรุปในโลกว่ามีของเคลื่อนที่ได้กับเคลื่อนที่ไม่ได้จะมีเท่าไหร่ก็ตามมันก็เกาะกลุ่มอยู่เรื่องนั้นเราแสดงว่าหมดไปทางโลกแล้วแม้จะได้สมบัติทั้งปวงทั่วโลกมันก็อยู่ที่คำว่ารักคำเดียวแต่นั้นเองยศ การยกจ้องสันสริมการมีบริษัทบริวารการมีตำแหน่งหน้าที่การงานแล้วก็มีเยอะเท่านั้นในโลกไม่ว่าใครจะเป็นอะไรก็ตามมันก็มีเสียยศมีบริวารยศมีเกียรติยศมันก็มีอยู่สามยศเท่านั้นเองแต่ถึงสังเกตว่าสิ่งเหล่านั้นมันเป็นแค่สังขารเท่านั้นเองเกียรติยศมันก็เสื่อมได้ อิส ย, ยอยิ่งเห็นได้ชัดเลยความเป็นใหญ่ตําแหนนะ่งหนักธิการงานบริว า, ารายศมันก็อยู่ที่ความรู้สึกของคนอืน่นไม่ใช่เรื่องของเราก็อชอบเราเราก็เขามาเป็นพวกเราก็ไม่ชอบเขาก็ไปพอเรามองเห็นมันจะเห็นความเป็นสมบัตินอกกายที่ชัดเจนมากิ๊กขนดลาบก็กายเป็นสมบัตินอกกายยศก็สมบัตินอกกายสันเสริญมันก็เรื่องอารมณ์แต่นี้ก็จ้างให้เชียร์ยังได้เลย เขาเช่าเขาสรเสริญเขาไม่เช่าเขากระนินทาเรื่องของเขาความสุขท่านั้นเองที่มันอยู่ที่ตัวเรามันอยู่ที่ใจเราโดยการทําใจของเราเพราะฉะนนประการสาคัญเนี่ยทำยังไงจะให้ได้สุขแม้ว่าสิ่งเหล่านั้นจะเปลี่ยนแปลงแปรผันไปใจใจเป็นสุขจนกลายเป็นผู้สงบไม่อ่อนไหวไม่แปรผันไปตามาอำนาจอารมณ์ทั้งหลาย ระเบีที่กรรมาของสติสมัมปชัญญะความเพียรที่ท่านเหล่านั้นเพิ่มปูนให้อยู่ในจุดที่อย่างน้อยก็คือคุ้มครองใจตัวเองได้เป็นประการสำคัญต่ตอตีนี้ไปก็ขอให้ตั้งใจต้องความสงบสุขต่อไป